อมีใครแสดงทัศน์หาอีกรอเปล่าก็ก็มุมมุมที่โยมได้กล่าวมา น, นั้นเป็นการกล่าวแบบยอ่อนก็ก็มุม ล, ลักษณะนั้นเลยว่าถ้ากรรมฐาน38ทั้งหมดเป้าหมายก็คือรานิวรนให้สังเกตดูนะตรงนี้จะเไปในปฏิสัมพิธามากมาเชื่อมโยมจะเห็นจะเห็นมุมคือถ้าอุปจารลสมาธิเนี่ย ก็สามารถข่มทมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ่ปประการถ้าปฐมฌานก็ข่มที่เวลธรรมาเยอะนะทีนี้ถ้าหากว่ากรณีแห่งการยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เดินยกตัวอย่างเช่นอนุสติทั้งหลายมีพุท ธ, ธานุสติธรรมมาสังคาศิราจาคานี่กลุ่มอนุสติทั้งหลายเนี่ยจะเดินถึงอุปจารสมาธิตัวอุปจารสมาธิคืออะไรก็คือตัว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 ทำที่เป็นปฏิบัติต่อสมาธิแปประการก็คือพวกกรมะฉันทะก็ด้วยเนคขมะเขาจะข่ ม, ม, ขขมกรรมะฉันทะด้วยเนคขมะสรุปแล้วตอนนั้นเนคขมะเกิดในกระแสของนามธรรมแล้ในใจและเป็นกุศลและกุศลจิรจุปกุศลจิรุบา ท, ที่เกิดขึ้นที่เป็นอุจารและสมาธิในขณะนั้นอันนั้นแหละสามารถข่มการมะฉันทะได้ด้วยด้วยเนคขมะก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาท่นเองประชุมกันในการระลึกถึงคุณของพระทเจ้าเป็นต้นหเหล่านี้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 ท่านก็ยังเมื่อเจริญพุทธคนจนเกิดปราโมดปีติจนสมาธิตั้งมั่นนิวรธาทำถูกขจัดไประดับหนึ่งทำที่เป็นปฏิปักษต่อสมาธิถูกขจัดแล้วเนี starter, ถถ่ยท่านกลับไปอยู่ไปอยู่กรรมฐานเดิมที่เคยทำว่างั้นท่านไปมนสศการกรรมฐานเดิมที่ท่านอาจจะตกหล่นไปเนี่ยนะกรรมฐานเดิมบางกลุ่มก็นุ่นกสินสิบบางท่านกับปทวีกสินอาโปกสินเตโชวาโยนิรักสินอะไรก็ว่าไปตามลําดับตามที่ท่านชํานาญก็กรรมฐานหลักที่ท่านเดินไว้อยู่อย่างนี้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 ใช่ไหมกรณีที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ใช้ใช้ยาบทใช้ภาชนะแบบนี้ออกจากบ้านก็ไปใช้อีกอย่างหนึง่งลงน้ําไปใช้อีกอย่างขึ้นบกอีกอย่างหรือว่าไปทางอากาศก็ใช้เครื่องบินใช้อะไรเนี่ยนีอันนี้ก็เหมือนกันสภาพกรรมฐานสาวกของพระริจเจ้าไม่ได้อยู่กรรมฐานเดียวแน่นอนซึ่งก็มีที่รองรับกันเยอะๆตรงนี้นี่แหละท่านก็บริหารแต่ว่าก็มีจุดที่ท่านชํานาญอยู่อันนี้สําหรับคนที่คนที่ คนที่เขาบริหารประจำของท่านท่านท่านดูแลขอท่านก็ไปเดินเดินให้ได้ปฐมฌานเพราะปฐมฌานนี่ข่มนิวร์ได้แข็งแกร่งกว่าอุปจารสมาธินี่ท่านก็เอาปฐมฌานเป็นฐานแก่การเดินวิปาาัสสนาญาณก็เริ่มตั้งแต่นามรูปปริเฉ ท, ทยานปัจจะปริขหายาณเป็นต้นก็เริ่มเห็นแยกรูปนามรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนชัด พอชัดเบสเสก็เริ่มเห็นเหตุปัจจัยของรูปเหตุปัจจัยของนามเป็นต้นเหล่านี้นะเหตุเกิดแล้วก็ในสุดก็เหตุดับเป็นต้นเหล่านี้ก็ไล่ไปตามลําดับอวิชชาเกิดตัณหาเกิด อ, อวิชชาเกิดรูปปัจขันธ์เกิดตัณหาเกิดรูปปัจขันธ์เกิดกรรมเกิดรูปอุปทาเกิดรูปปัจขันธ์เกิดเลยก็ว่าไปตามลำดับตลอดถึงว่ากัปปิงกาหานเกิดรูปปัจขันธ์ก็เกิดถึงในยะการดับก็ว่ากันไปตามลําดับดัทงที่เด็กแ อันนี้ก็เหตปัจจัยของนามรู้เนะีโดยย่อถ้าโดยขยายก็ไปว่ากันอีกอย่างแต่อันนั้นก็คือต้องไปมุมนี้แหละทีนี้ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าได้สมมุติว่าเดินอย่างนี้เบีดเสร็จนะอย่างเราเราท่านทั้งหลายใช่ไหมพอไปได้ประเภทข่มนิว่าเราทำได้แล้วแต่เป็นคนไม่มีฐานสมมตุติไม่มีฐานของของคำสอนได้ลึกซึ้งอะไรเลยต้องมาเรียนใหม่นะ ต้องไปเรียนกับครูบาอาจารย์เนะีไม่ใช่ไปเรียนนะีไม่ใช่โอ้เนี่ยเราได้ฐานสมาธิดีแล้วเนี่ก็เอาอีกแล้วที่ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละเพราะไม่สามารถจะไปแยกลักษณะจิตอาการปรากฏแล้วก็เหตุไกลเหตุใกล้ของนามธรรมารูกประธรรมเหล่านั้นได้ก็ก็ไม่เข้าใจฉะนั้นในชั้นคําสอนก็ต้องหาครูและที่ชํานาญและหรือหาคําสอนในของพระพุทธเจ้าในพระไ ต, ตรปิฎกกับกถาคีกาแล้วมาสรุปประเด็นตรงนี้เราก็ต้องหากระยาณมิตรเขาไว้ที่จะค่อยช่วยขัดเกลา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 อนนีจานุปัสสนากระนิจจาสัญญาไอ้ความจําหมายว่าเที่ยงของหลายเนื้อก็จะถูกละลายไปได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งยังการเห็นที่เป็นต่ทางก็าปะหาร น, นี่นแหละจะถูกละจะถูกทําลายไปเรื่อยแต่อย่าลืมนะไอ้ความจําหมายว่าเที่ยงของสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัตรมันมากจึงต้องการทำทำทำแต่ทางก็ปะหารให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ให้แข็งแรงใช่ไหมมันกระทกขานุปัสสนาเหมือนกัน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 ที่ไปเห็นความจริงโดยความเป็นอนัตตางจริงเพราะความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเนี่ยถอนได้ยากมากยี่ไหมอัตถิถีของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกกระชากเพราะปัญญาไม่เกิดจริงไอ้ตรงนี้จะถูกถอนในชั้นของกรรมสกตาสมาธิถิเนี่ยก็เกิดระดับหนึ่งแล้วคือความเข้าใจว่าว่าธรรมะเท่านั้นเป็นไปอยู่ะ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 ต้องมราชการเกิดซ้ำซางเพราะว่าความยึดติดของสัตว์ทั้งหลายนิ้วหูยาวไกลามาก